ครอบครัวคนไทยเราที่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่แล้วมาเกี่ยวข้องกับวันนี้ประมาณเท่าไหร่สิบยี่สบครอบครัวถึงไหมเยอะเยอะกินนี้ค่ะได้ยินท่านรอนว่าเวลาเวียนเทียนเอยเลยหรือมาเยอะมากันเยอะเลยโอ้เดี๋ยวนี้คนไทยเราพอๆกับคนจีนสมัยก่อนนะตอนนี้ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยคนจีนเต็มไปหมดสมัยจีนคนจีนสมัยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คนไทยเราถ้าพูดถึงเมืองไทยเราก็ คนอีสาน <c oughs> ไปทู่กรุงเทพตรงไหนตรงไหนถามดูอีสานรองตำบังคงเต็ไมไปหมดท <c oughs> <c oughs> ีนี่ก็ อ, อีสานเยอะค่ะอ่าอ่อีสานมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไปติดถิ่นเราไปติดถิ่นทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็กอดเ <c oughs> สาเรือนอยู่เฉยเฉยกอดที่นาแปลงน้อยนิอยนดอยู่เฉยเฉยไม่ได้ขยับขยาย เพื่จะได้ไปรู้ไปประสบพบเห็นอะไรเท่าไหร่นี่นโลกนี้มันโลกกว้างแต่เราไปทําตัวอยู่แคบแคบบางทีก็ไปสะดวกสบายอยู่กับแคบแคบมันไม่ต่างอะไรกับกบในกะลาก็ว่ากบในกะล า, ากลบในกะลาลวนไปวนมากบในกะลาก็ยิ้มยิ้มย่องอยู่อยู่ในกะลาลนะั่นแหะแต่ถ้าออกมาดูโลกกว้างโอ้ตื่นตาตื่นหูตื่นตาตื่นใจปรับชีวิตจิตใจ และก็ตรงกันข้ามพวกเราพวเราโลกพวกเราพวกเราเราถือว่าเราอยู่คราวาด <c oughs> มีบ้านมีช่องเราเป็นเราอยู่แบบชาวโลกทั่วๆไปถ้าเราจําเจียอยู่แต่กับแค่นั้นมันก็เท่ากับเรากบอยู่ในกะลาต้องขยับขยายมาเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดใจเข้ามารู้มาเห็นเรื่องผัดเรื่องธรรมมันเป็นการเปิดเข้ามารู้โลกกว้าง เรื่องของโลกเนี่ยมันโลกเรื่องของโลกเนี่ยมันแคบแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนี่ยมันกว้างมากรู้ดีในโลกกว้างต้องรู้เรื่องธรรมะถ้าเรารู้ดีในโลกกว้างรู้เรื่องของโลกโลกมันจำเจอยู่แค่นี้แหละเราไม่ต้องได้ยินได้ฟังเราไม่ต้องเรียนไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนโลกก็คือโลกเป็นอยู่อย่างนี้แหละนะธรรมหากินนะมีอยู่มีกินมีครอบครัวมีโลกมีเต้า มีงานมีการมียศมีศักดิ์มีเกียรติมีอะไรอะไรแต่ถามแล้วว่ามีทําไมมีเพื่ออะไรบางทีก็าตอบไม่ได้เหมือนกันมีลาบมีเพื่ออะไรมียศมีเพื่ออะไรมีเกียรติมีหน้ามีตาในสังกมมีเพื่ออะไรบางทีก็าตอบไม่ได้อยูเหมือนกันไปนู้นไปนี้ไปสอบไปแสวงหาให้ได้งานดีๆให้ได้เงินมากๆได้มาทําไมได้เพื่ออะไรยังตอบไม่ได้เี่ลองถามให้ตอบมาลุตอบถูกสักคนหรือเปล่าค่ะมาลุ ฮหาไว้สร้างบารมีครหาไว้สร้างบารมีเอาให้ตอบสามคนใหาไว้เพื่อดํารงชีพค่ะหาไว้เพื่อดํารงชีพอีกคนไปแสวงหาลาภหายศหาเกียรติหายศักดิ์ศรีหาหน้าหาตาในสังคมหาตําแหน่งหาอํานาจหาอะไรตัวอะไรสารพัดสิ่งเหล่านั้นเราหามาเพื่ออะไร บาคไปแล้วการบาคไปคนหนึ่งเพื่อบารมีคนหนึ่งเพื่ออ้าวแล้วแลอีกแล้วอีกคนหนึ่งคนหนึ่งเพื่อดลำรงชีวิตอีกคนเอ้าอีกอีกร้ายหนึ่งฮะเป็นอัตตาหาเพื่ออัตตาตัวเองสนองตัวเองหามาเพื่ออัตตาตัวเองเพื่อสนองตัวเองนี่เราเริ่มพูดธรรมะเลยนะนี่แล้วเราพูดไปแล้วท่านร้อนไม่ได้แปล อาจารย์เมตตาไม่ได้แปลแล้วก็คนหลายๆคนไม่ไม่รู้ทําไงอ่ะเนี่ยอยากได้ยินได้ฟังนู่น่ะมาเรียนน่ะคอยมาคอยตั้เช้าน่ะก็ไปที่บ้าเราแล้วน่ะก็ที่มูลท่านอาจารย์ไม่ด้โกงแปลใช่ไหมครับาจารย์ไม่ไดกงจับใจความอะไรบ้างครับเมื่อกี้จับใจความที่บอกด้วยบอกด้วยว่าเราให้เราเราถามปัญหาคนก็ตอบว่าเพื่อสร้างบารมีคนคนหนึ่งตอบว่าเพื่อ ลำลองชีวิตอีกคนหนึ่งเพื่ออะไรนะสรองอัตตาตัวเองสรองอัตตาตัวเองบอกเขาด้วยสรองสนองอัตตาสนองอัตตาตัวเองแต่ผมยังไม่เฉลยผมยังไม่เฉลยอยาให้ทางแรก่อนเอาละที่ฟังที่ฟังภาษาฝรั่งที่ฟังภาษาฝรั่งเสร็จแล้วไอ้ที่เราให้ความหมายไปงี้และและสองสามคนนี้ตอบมาอย่างนี้แล้วทางทางที่ฟังภาษาฝรั่งเขาเข้าใจว่ายังไง เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพูดต่อถามถามกัดิถามถามแบบปัญหาอย่างเงี้ยที่ท่านแปลเขาเข้าใจเขาเข้าใจยังไงบ้างฝรั่งนะอาจารย์ฝรั่งคิดยังไงกับท่านอาจารย์ถามเะไรที่ที่ที่พายดเพื่ออะไรที่เราหาลาพายดหาเกียรติหาอะไรอะไรครับนี้เขาต่อไปสองสาม คำถามให้เขาที่ตอบเขาควรแต่ัหงฝรั่งอยากฟังความเห็นของฝรั่งบ้างโยมมาริยาตอบว่าเขาไม่แสวงหาไม่สนใจเขาไปเลยตอบมาได้เขาพูดเด็ดนะเขาไปที่วัดเราเนี่ยเขาพูดเด็ดนะเนี่ยเนี่ยเราจําได้เนี่ยมาเรียเนี่ยก็าพูดธรรมะเด็ดนะครอ่าพูดต่อเลยนะนี่ท่านี้จะพูดต่อแล้วเมื่อกี้เราก็ให้ข้อคิดเริ่มแรกมาจากเราว่า แล้วไม่เปิดทุกเปิดตามาจากพวกเราอยู่บ้านนอกบ้านนาไม่ค่อยจะไปนู้นไปนี้อบางคนก็ติดบ้านติดช่องติดนูน่นติดนี้นิๆหน่อยๆเหมือนกบในกะลาพอใจอยู่ในกะลาแต่เวลาออกมาจากกะลาเห็นโลกกว้างโอ้ตื่นหูตื่นตาตื่นใจอันนี้คือเราเราปรารภพื้นตั้งแต่ทีแรกแล้วเราก็มาปรารภว่ า, าเราเป็นอยู่ในโลกเราแสวงหาลาภหายศหาเกียรติห า, หาสุขหาสารเสริอมหาอะไรตายนี้ มันเท่ากับกบในกะลาเข้าเท่ากับกบในกะลาเราจะอยากรู้ดีในโลกกว้างเราจะต้องแสวงหาธรรมธรรมมันเหมือนของที่อยู่นอกกะลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่สนติดธรรมผู้ที่มักแสวงหาธรรมเข้าถึงธรรมหมดแล้วอะไรหมดแล้วท่านทิ้งโลกหมดโอเคนี้ก่อน ทีนพวกเราตอบเนี่ยก็ต้องคน ต, ตอบตามตามที่เรามีความคิดแท้ที่จริงมันต้องมันมีหลักมันมีหลักอยู่เพื่อบารมีก็ใช่เพื่อสนองอัตตาก็ใช่เพื่อดํารงชีพก็ใช่แต่ถ้าเราจะพูดจะสรุปให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าททรงตรัสเราสแสวงหาลาภหายยศหาเกียรติหาหน้าหาตาหาศักดิ์ศรีหาอะไรต่อในสังค ม, มสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด สแสวงเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอันนี้คือหลักให้พยายามจับหลักเอาไว้คเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสอีกว่าการสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงโดยเฉพาะการแสวงหาแบบโลกชาวโลกนะ่ะก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนหาความสุขบางทีก็บางทีก็แสวงหาได้บางทีก็สแวกสแวงหาไม่ได้บางทีได้มาแล้วก็เสียไป อยู่ดีๆทําดีๆอะไรแล้วก็เสียหายไปพัดพลาดไปแล้วก็เสียหายไปไม่แน่นอนว่าจะประสบความสําเร็จทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ในโลกยึง ล, งล้มลุกค ล, ล, ลานแบบ ท, ที่ที่เรามีเราเป็นเราประสบพบเห็นด้วยกันนี่แหละอันนี้คือการสแสวงหาแบบทางโลกแต่ถ้าเป็นการสแสวงหาทางธรรมพระเจ้าท่านอุบัติมาเพื่อเอาธรรมมาสอนพวกเราแท้ๆให้เรารู้กรอบของศีลของธรรม รู้แล้วเราจะทิ้งโลกได้หมดรู้แล้วเราสามารถทิ้งโลกได้ยาวเกินไปไหมยาวเกินไปคิดไม่ได้คิดไม่ทันโอเคที่สุนี่เราพูดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาท่านอุบัติมาเพื่อมาสอนธรรมทีนี้วิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราเข้าถึงประโยชน์เข้าถึงความสุขนั้นตามแนวทางของพระองค์ก็คือ ให้เราฟังให้ครบวงจรไว้ก่อนถ้าให้เรามาเกี่ยวข้องกับทานการให้ทานมาเกี่ยวข้องกับการศีลการรักษาศีลมาเกี่ยวข้องกับเรื่องภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา <Okay. S 1> เมื่อเรียนรู้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเราจะเห็นว่าโลกคือความเป็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเองถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเราตั้งใจปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ย <Okay. S 2> เพื่อเป็นการทําลาย <indicating. S 2> ทําให้เราหูตาสว่างขึ้นเพื่อ จะทำให้เรารู้ว่าโลกมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเลยจะทําให้เราถอนตัวออกมาถอนตัวมาจนสามารถจนสามารถพิจารณาให้รู้ให้เห็นไปตามธรรมะของท่านเกิดความเบือ่อเกิดความนายเกิดความคลายความจางและก็สามารถถอนตัวเองให้พ้นจกากทุกยากโทษในโลกในวัฏฏสงสารไปได้เอาแค่นี้ก่อนด้วยเหตุที่การสแสวงหาทางโลกการได้มาและก็เสียไปหรือก็แสวงได้หรือไม่ได้ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นอยู่ในโลกมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้เรามีความสุขคราวหน้าเราก็มีความทุกข์อย่างที่ท่านสอนให้เรารู้จากเรื่องโลกก็โล ก, กธรรมมีสุขมีสุขแล้วก็ต้องมีทุกข์มาด้วยกันมีนินทาล้วก็มีสารเสริญมาด้วยกันมีได้ลาบมาแล้วก็เสื่อมลาบไปกันมาด้วยกันมีลาบเสื่อมลาบ มีมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีสรเสื่อแล้วก็มีนินทาอันนี้มันเป็นเรื่องของของโลกธรรมทุกคนเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็พิจารณาให้เห็นว่าอันนี้คือหลักของความเป็นไปในโลกเราจะได้เป็นเครื่องชะลอความผิดหวังความทุกข์ใจในหัวใจของเราถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วอู้เราทำ รูปสารทำเหมือนกับเหมือนอย่างมาวัดมาวานมาทําบุญมาให้ทานอย่างดีแทนที่เราจะได้ประสบอย่างนั้นประสบอย่างนี้เนี่ยเหมือนอย่างคราวที่แล้วเนี่ยยอมผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นเป็นเมียของเป็นภรยาของนายกเทศมนตรีอำเภอศรีบุญเรืองน่ยไปตั้งโรงทานช่วยเจดีหลวงปู่หลีสปีตั้งโรงทานอยู่นั่นแหละทํามา3ปีอยู่กับเวทวงของบุญกุศลศิลทานอะไรทั้งหมด พอวันที่พายุลงวันนั้นต้นไม้มันหักลงไปทับตายถ้าหากเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราก็จะไปโทษโอ๊ยเราซาทาบุญให้ทานขนาดนี้แล้วทำไมเราจะต้องมาประสบพบเห็นอยู่อย่างนี้มันจะทําให้เราสมหวังไปทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของโลกธรรมทีนี้วิธีการของพระสิทธเจ้านั้นท่านให้เราสะสแสวงหาเนี่ย โลกธรรมโลกธรรมนี้ทางกศ น, นให้เรารู้จักเอาไว้เพื่อเป็นการกันเอาไว้ว่าทุกอย่างไม่แน่นอนแม้แต่เราตั้งใจจะไปเอาบุญเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นทำบุญให้ทานเช้าเย็นเช้าเย็ น, ยนที่เขาไปตั้งโรงทานทําเกียรติที่ผาแดงล้งปุรีถึงกระนนั้นก็ตามถึงคราววิบัติมาถึงก็ใครก็ย่อมได้ประสบพบเห็นด้วยกันเหมือนกันทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องไม่แน่นอน ที่แน่นอนอีกอันนึงก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำใจให้สงบเนี่ยท่านสอนเพียงแต่ว่าไม่ให้เราวิ่งตามไม่ให้เราวิ่งวิ่งตามลาบตามยศตามเกียรติตามสารเสรวญตามอะไรต่ออะไรทุกอย่างไม่ให้เราวิ่งตามรูปไม่ให้เราวิ่งตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสท่านให้เราสงบให้สงบ ไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไปตามอารมณ์อันนี้เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะได้ประสบความสุขเร็วกว่านั้นและเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เสียด้วยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราดูวิธีท่านสอนเอาแค่นี้ก่อนครับเราพูดเราพูดถึงการสแสวงหาความสุขแบบแบบเราแสแวงหาแบบชาวโลกแบบทางโลกกับวิธีสอนให้สแสวงหาความสุขตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า เราฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นความสําคัญของคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ศึกษาเราจะไม่อบรมจะเราจะไม่จัดเราจะไม่ทําเราจะไม่ได้กลายเป็นว่าเรายังจะต้องวนเวียนอยู่ในกลาอยู่อย่างนี้แล้ยังไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นเราอยากอยากรู้ดีในโลกกว้างต้องมารู้ธรรมะของพร <c oughs> นะพุทธเจ้าท่านสอนให้หาความสุขทางลัดจำง่ายๆนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หาความสุขทางลัดหยุด หยุดวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสโดยวิธีการมาภาวนาให้ใจสงบพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธอันนี้ลือคือเราเร า, เราพยายามภารนาแวดวงรอบข้างของการภาวนากว่าเราจะมาโมาผล่คำว่าพุโทโธพุทโธพุทโธจิตของคนเราเราต้องการให้เขาสงบไม่ได้เราจะต้องมีงานให้เขาทำ เพราะฉะนั้นเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่เป็นงานที่เราให้กิจเขาทําฟังดูไปแล้วรู้สึกว่ายากระบาลระเกินทําไมต้องเอาอาวุธหนักซึ่งเป็นงานของพระมาสอนมาบอกพวกเราไม่จํากัดสําหรับใครทั้งนั้นศีห้าผู้รักษาสีห้าปฏิบัติโดยยิ่งท ำ, ทำให้ทำให้ธรรมะเจริญงองเงยได้ผู้รักษาศีแ8ผู้รักษาสีสิบผู้รักษาศีสองริบเจ็ไม่จํากัดว่า เออผู้รักษาศีลห้ารักษาศีล8ดไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เห็นอาจทำยังงั้นยงงั้นไม่มีเขาให้ตั้งแย่รักษาศีลหศีล8ดศีลสิศีลสองรยยีิให้บริสุทธิ์สามารถปฏิบัติเพื่อเดินไปสู่มรรคสู่ผลตามพุทธิยถาท่านทรงแนะนําบอกสอนได้อันนี้คือวิธีการที่พุทธิยถท่านสอนไปเราจะอ้างว่าเราเป็นฆราวาสเราทําไม่ได้อ้างยังไม่ได้เพราะหน้าที่ของพุทธบริษัท ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมอุบาสกอุบาสิกาคือใครคือพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปริยัติปริยัติสัจธรรมปฏิปติสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมเป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามจะพึงเข้าจะพึงเข้าถึงคือ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเน yeah. ี่ยพุทธเจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้บอกว่ามีเฉพาะภิกษุภิกษุณีนะอุบาสกอุบาสิกาไม่มีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้นะไม่ใช่พวกเรามีหน้าที่ที่จะทําตามได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> เพียงแต่เราหยุดไม่ให้นึกไม่ให้คิดไปกับรูปกับเสียงกับกลิน่นกับรสกับสัมผัสกับสัญญาอารมณ์โอทท้ทำไมจะทําได้ทําได้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชราเนึ่ให้สงบ เขาก็จะสงบได้ท่านให้ท่านให้เราทำงานพุทโธพุทโธเอาคำว่าพุทโธมากากับมีสติกากับพุทโธพุทโธพุทโธมีสติกำกับให้จิตมันสงบอย่าลืมว่าจิตสงบนะนะั่นคือกิเลสสงบจิตไม่สงบคือกิเลสไม่สงบแท้ที่จริงเราต้องการความสุขตราบใดที่เราต้องการความสุขแต่กิเลสเต็มปแปรมันจะสุขไม่ได้อย่างน้อยเราต้องให้หยุดให้เขาหยุด ให้เขาหยุดให้เขาเชะงักให้เขาหยุดซะก่อนพอเขาหยุดแล้วจิตของเรามันไม่สับสนไม่วุ่นวายเลยจิตจะเรามีความสุขวิตกวิจารปีติสุขเอกขตาเราดูอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของความสุขอารมณ์ของของของฌานของฌานขั้นแรกเนี่ยพวกเราทําได้เลยวิตกก็คือคือพุทโธพุทโธนี่เป็นวิตก พุโทโธแล้วก็ประคองเอาสติสมัมปชัญญะของเราหนึ่งประคองพุโทโธเราประคองอทําต่อเนื่องไป5นาทีขยับไปอีก10บนาทีขยับไปอีกครึ่งชั่วโมงขยับไปอีกขยับไปอี ก, ออกทําเรื่อยๆทําจนนึกหายใจได้ทุกลมหายใจเขาออกทําหลักทําได้อยู่อย่างนี้จิตของเราจะเริ่มสงบเริ่มเป็นพื้นเป็นบาทเปยนฐานเนี่ยและความสุข ความสุขแบบโลกโลกที่เราเคยเคยเสแสวงเหอะเคยสอบเคยเสแสวงหาเคยอะไรต่อะไรสําคัญอยู่ในระหว่างที่เรามีชีวิตในความเป็นอยู่เพราะร่างกายของเราจะต้องการยังต้องการอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งเครื่องเครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรต่อะไรไยังมีความจําเป็นยังจะต้องสาะสแสวงหาอยู่แต่จิตมันขยับไปมีความสุขกว่าที่เราเป็นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุที่ไม่หยุดหยุดไม่ต้องนึกไม่ต้องปรงุงไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไร มันปัญหายังมีอยู่จริงอยู่ปัญหายังมีอยู่แต่ถึงคราวเราตั้งใจภาวนาให้สงบตั้งใจทำจริงๆให้เขาได้รับความสงบมันจะเป็นนิสัยมันจะเป็นปัจจัยแล้วเรื่องของความสงบหนึ่งทำให้จิตของเรานี่มีปีติปีติคําว่าปีติแปล ว, ว่าจิตมันอิ่มมันเ อ, อิบมันอิ่มมีความสุขจิตมีปีติจิตมีความสุข จิตมีความดิบดีมีความคลังมีความวิเศษวิโสมีคุณสมบัติภายในจิตจิตมีคุณสมบัติจิตมีพลังเราพูดรวมๆว่าจิตมีพลังจิตที่สงบนั้นคือจิตที่มีพลังแต่จิตจะสงบไม่ได้ถ้าเราไม่ตั้งใจทำในเมื่อเราตั้งใจทําจิตดวงนี้ที่เขาสงบที่เขามีความสุขที่เขามีพลังอันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่เราเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นให้กักบจิตของเรา มันเป็นการพัฒนาจิตของเราถูกถูกต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราสามารถทำได้ อ, อ๋อโอรู้สึกเพื่อนแปลละเอียดรอเนาะน ะ, ะแลวคนที่นคนที่อาศัยความอาศัยภาษางิฤษแล้วเข้าใจนี่ฟังเข้าใจดีไหมอับดีนีโอ้ภาษาเยอรมันเหรอไ่ไม่พูดภาษาออังกฤษกันเป็นภาษาเยอรมันกัน ภาษาเยอรมันครับเยอรมันทั้งหมดเลยใช่ไหมอ้เข้าใจดีไหมดีมากครับแล้วก็คือผมคิดว่าท่านมนคนที่ฉลาดมากคือว่าไอ้ที่ลายละเอยเพิ่นเก็บรายเล็กลายไปไปไปแปลหมดโอเคอะสวบส่วนนี่ดาวน์การเราจะสรุปเพราะเราจะอยู่พุทธมัมยที่นี่อีกนาน วันนี้เราก็จะสรุปแผ่นี้ก่อนที่เราพูดมาให้ฟังทั้งหมดเมื่อกี้นะตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงที่อาจารย์เมติโก้ท่านแปลมาเมื่อกี้อันนี้คือหลักการวิธีการที่เราจะทำกันเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยอุปสรรคของการให้ทานอุปสรรคของการรักษาศีลอุปสรรคของการทำสมาธิอุปสรรคของการเจริญสมถะวิปัสนามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดจะต้องแจกแจงกันไปอีกมาก อันนี้เราพูดถึงหลักการว่าพุทธิจารยท่านอุบัตมาทําไมมาเพื่ออะไรเพวกเราแสวงหาเพื่ออะไรแล้วก็เราพูดเปรียบเทียบให้เข้าใจที่เรียกมากบในกลากับกบนอกกลาเราเป็นอยู่ในถิ่นฐานของเรากับการสาะแสวงหาไปในโลกว่างมันไม่มีประมาณมันเป็นหน้าที่แตกต่างกันเราก็เลยมาเราก็เลยมาประมวลว่าการที่เรามารู้เรื่องของศีลของธรรมนั้นมันเป็นเรื่อง ที่เหมือนไม่เหมือนกับกบอยู่ในกระลามันเป็นการรู้ดีในโลกว้างเพราะเพราะถ้าเผื่อเรารู้ดีเข้าใจดีแล้วเราสามารถทิ้งโลกได้ทั้งหมดเหมือนกับเราสามารถทิ้งถิ่นฐานว่านช่องอันนี้อันนี้ทำไมทราบนี้่ะทำไมเป็นคนบ้านนอกเนี่ยพ่อแม่ยากพี่น้องก็ไปกอดอยู่กับซับอันนุนนิดอันนี้หน่อยกอดอยู่นั่นแหละจะไปทํางานที่นู่นจะไปอะไรที่นู่นที่นี่ก็ไม่กล้าไปมีเขาเรียกกบในกรลาอ่ามันเป็นมันเป็น ที่เล่ามาทั้งหมดนี้มันเป็นหลักการและก็วิธีการที่เราจะพูดมันมีอีกมากมายที่เราจะพูด่ะเราจะพอย่างเรื่องการทําจะให้ได้รับความสงบเนี่ยมีอุปสรรคยังไงบ้างยังไงบ้างยังไงบ้างวิธีการทําวำนั่นพาทำอ่างาั้นครูบาอาจารย์สายนั้นพาทํางานครูบาอาจารย์สายนี้พาทําอย่างนี้แม้แต่พระไตรปิฎกเดียวกันกข้มาสอนแก็แต่ียกไปคนละคนละคนละคนละเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันแตกต่างกันไปอย่างนั้นอืม เพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเราศึกษาด้วยปฏิบัติด้วยจากนี้ไปจนตายเราก็ศึกษาไม่จบนอกจากว่าเราหัวเราศึกษาเข้าใจปฏิบัติและจิตเป็นไปขยับขยายเข้าถึงเข้าถึงมรเข้าถึงผลได้ในอัตภาพนี้โอ้ยก็นับว่าคนนั้นเป็นบุญมีมมบุญวาสนาดีเยี่ยมวิเศษวิโสเลิศเลิศยิ่งเลยแหละซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่ที่ตั้งอกตั้งใจมา มามาสร้างคุณงามความดีให้กับให้กับหัวใจของเราเนี่ยเนี่ยทีนี้เรา <c oughs> เราเกิดมาแล้วเราเราพูดเด็ดขาดไปว่าเราหยุดสาะสแสวงหาแล้วเนี่ยเราไม่สแสวงหาแล้วเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ผู้ที่ไม่สแสวงหาผู้ที่ไม่สแสวงหาแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญ หปีท่านบำเพ็ญนอกจากขอบเขตที่พระองค์แสวงหาด้วยตัวเองแสวงตามขนนั้นตามขนัานตามคนาดหกปีไม่มีวิธีการใดที่จะทําให้พระองค์สมหวังแม้แต่ไปศึกษากับอุทกดาบทอาราธดาบทเรียนรู้ขั้นความสงบของจิตระระดับละเอียดลึกรูปปัจจานารูปปัจานรานรูปสมาบัติอารมปสมบัติพระองค์ก็ยังไม่ไม่พอใจพระองค์ก็เลยมามาเสาะแสวงหาตามวิธีของพระองค์มาเสาะไปเสาะมาเสาะมาเสาะไปก็เข้าหลัก อริยสัจสเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทเเหตุให้พระองค์วันปลายสุดท้ายในปัตติมยามวันเพลนเดือนหกนะั่นแหะทำให้พระองค์ได้อาสวรขยายานมีญาณอย่างอย่างหนึ่งรู้ว่าอาสวรกิเลส ท, ที่อยู่ปนเปื้อนอยู่ในหัวใจในพระทัยของพระองค์เนี่ยจิตของพระองค์หลุดพ้นจากอาสวรกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแล้วค้นหมดจดโดยชิ้นเชิงแล้วที่เรียกว่าอาสวรรค์ขยานแล้วก็ทร ง, ทรง ทร ง, งเปลงพระวจาจีว่าพอและวพ อ, แ ล, พ อ, แ, ลพอและพอใจและพอใจแล้วดีแล้วประเสริฐแล้วเลิศแล้วสิ่งที่ดีเกินนี้ไม่มีอีกแล้วเลิศกว่านี้ไม่มีประเสริฐกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เราควรจะสะแสวงหา ย, ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยนี่คือพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมในวันเตือนเดือนหกบรรลุอาสวัคยายานนี่คือบุคคลที่ไม่ต้องแสวงหาอีกเราพูดถึงการแสวงหาไม่แสวงหา ผู้ที่ไม่แสวงหาก็มีพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์หมดพ้นหมดจดไปแล้วท่านไม่แสวงหาสิ่งที่ท่านเคยหวังท่านก็ไม่หวังเพราะว่าสิ่งที่ได้เต็มแปร่เต็มหัวใจหมดแล้วเพื่อเป็นภาพพจน์สะท้อนให้เห็นว่าบางทีเราคิดว่าเราอันนั้นเราก็พอแล้วอันนี้เราก็พอแล้วอันนี้เราก็พอแล้ ว, อ, นน อ, ลวอย่าลืมว่าเรื่องมรรคเรื่องผล บางที่เราพูดถึงเรื่องนิพานสัญญามันพายเรายึดนิพานก็ได้เราพูดถึงญาณสัญญาอยู่ในใจเรามันพายเรายึดเรื่องญาณก็ได้เราพูดถึงวิมุตต์หลุดพ้นสัญญาที่มอยู่ในหัวใจมันเป็นเหตุเราพูดถึงวิมุตต์หลุดพ้นได้ข้อสำคัญว่าถ้าเราพ้นจากขอบเขตของสัญญาเป็นเรื่องของปัญญาไปแล้ว คือผู้บริสุทธิ์หมดจดโดยชิ้นเชิงแล้วท่านหมดข้อข้องใจทุกสิ่งทุกอย่างไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่หมดหมดจดโดยชิ้นเชิงไม่จำเป็นจะต้องศพถ้าถ้าพูดถือว่าเรียนก็คือเรียนจบเต็มที่ท่านยึงเรียกว่าท่านจื่เรียกพระอรหันต์ว่าพระเสขะบุคคลพวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแม้แต่พระโสดาสกิตาคาพระอนาคานี้ท่านก็ยังเรียกว่าพระเสขะ แต่ว่าผู้ยังจะต้องศึกษาคําว่ายังต้องศึกษาคือต้องสา ะ, ะแสวงหายังจะต้องศึกษาพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยเข้าสู่อาหารหัตมรัคเก้าไปอีกเก้าหนึ่งอรหัตผลเน่ยเป็นอัเซขับบุคคลไม่ต้องสแสวงหาในใจมันจะบอกเองมันจะมีญานทะัศน์บอกเต็มอิ่มพอหมดจดโดยชี่มดข้องใจในวัฏจักสงสารทั้งหลายทั้งปวงหมดแล้วอ่า น้ำในกระลาน้ำนอกกระลาน้ำในบึงในหนองน้ำในทะเลในในมหาสมุทตหมดข้อกังขาใดใดช่างสิ้ น, นแต่ยาวนะอลองดูแหรู้ดูแลละเอียดเอาลองดูเอามีคำถามให้ที่นี่เล็ก <ไว S 1> น้อยอเล็กน้อยีกเล็กน้อยอเอาอย่างน้อยสี่คำถามผู้ชายสองคำถามผู้หญิงสองคถามเอา แล again, to to well, e ้วก็จะตอบสั้นๆแล้วแล้ววันนี้เรามีโอกาสมาทําพัดสวดมนต์นั่งพังนั่งภาวนาใช่ไหมมีครับเวลาดึกทุ่มครับผมเด่งทุ่มออาเอาเปิดโอกาสได้เอ๊ะมาอยู่เยอรมันนานๆนี่ฟังออกหมดแนะนิดหน่อยจ้ะนิดหน่อยบางคนก็พูดเก่งนี่คนพูดไทยได้ดีกว่าเราอีนั้นปฏิบัต แต่แปลท่อจานมติโคไม่ได้ครับไอ้เก่งมากนี่ผู้ชายคำถามแรกอ๋อชันชันชันความบิหารสีมันพึ่งอาศัยกับทานกับสินมันมันอยู่ด้วยกันยังไงครับ พราะมาวิหารสี่มันก็อยู่กับใจดวงนี้ทานศีลก็อยู่กับใจดวงนี้ทานก็อยู่กับใจดวงนี้ศีลก็อยู่กับใจดวงนี้พราะมาวิหารเมตตากรุณาเมตตาอเบขาก็อยู่กับทานอยู่กับใจดวงนี้ถ้าเราไปตีความอย่างนั้นอย่างนั้นเราเมื่แต่ไปแยกแยะเราเลยหลงประเด็นของเราให้เราเพ่งมาที่นี่ภาคปฏิบัติมาที่จิตนีเราจะไม่เหมือนอย่างเขาเขาถามว่าเออ พระพรหมเมตตากรุณาเมตตาเบคะสี่อย่างนี้เป็นธรรมะของพระพรหมพระพรหมสีนะ่หน้าเวลาพระพรหมนอนเอาเอา ห, าหน้าหนึ่งไปไว้ไหนเราจะตอบได้ยังไงเราก็ตอบได้ว่าจริยธรรมเหล่านี้เป็ น, เ ป, นเป็นจริยธรรมเพื่อการประพฤติปฏิบัติของใจเวลาใจมันทํางานแล้วมันจะประสานประสานกันไปหมดเพราะฉะนั้นมักมีองค์8ดเวลาท่านไปทํางานแล้วมันจะเป็นอันเดียวกันเพราะผู้ทําคือใจดวงเดียว เอาแค่น okay, ี้ก่อนหูอยู่ว่าหาที่สองย่างหาถุกก็หาสุดและอันการเกิดมากหาถุกก็หาสุดอยากพุ่นแต่มันก็ติดอยู่ไุ้ไแกสเป็นะจังมากจรทางนะรับเราหาเลคือเราหาลรสอบทาง ในเมื่อเราหาเราเจอเราเจอทางแล้วเราต้องทําเรารู้ว่าเส้นทางนี้แหละเส้นทางนี้แหละไปมรรคไปผลไปนิพพานเนี่ยเราหาเจอเส้นทางแล้วแต่เรายังยืนอยู่กับที่เมื่อไรมันจะถึงอ่ะเมื่อไรมันจะถึงมรรคนิพพานอยู่นู่นเส้นทางนี้แหละไปมรรคไปผลไปนิพพานเราเรียนรู้หมดเรา่าเส้นทางนี้ไปแต่เราไม่ไปสักทียังยืนอยู่กับที่ ไม่มีโอกาสที่จะถึงแต่ถ้าเราค่อยๆเริ่มคลานเข้าไปเริ่มขยับเข้าไปทีไรๆมันก็ใกล้เพลินใกล้เพลยนใกล้เพลินใกล้ขึ้นอยู่กับการตั้งใจทาของเราหละเอาแล้ว อ, อีกสองผู <c oughs> ้ชายหนึ่งผู้ยังหนึ่ง <c oughs> ก็นั่นแหละก็เหมือนกับมาเห็นทางนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ขยับไปทุก <c oughs> ทีไปละร้อยเขาทว่า Uh, สัญญา uh, มีสองอย่างอย่างที่ควรจะครองอย่างที่ควรจะปฏิบัติแล้วอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติมันต่างกันยังไงถ้าเป็นสัญญาโดยธรรมพระพุทธเจ้าท่านอนามต์ให้อาปาติปฏิบัติ mm hmm. ถ้าเป็นสัญญาที่ตกเป็นเครื่องมือของกิเลส ท, ท่านให้รู้ว่าเป็นสัญญาที่มันจะเป็นเครื่องมือให้กิเลสมาสวมรอย เพื่อที่จะเอาสัญญามาเป็นเครื่องมือมันเนี่ยเกเรเรานั้นก็จะตกไปท่านเราจะต้องรู้ว่าอันนี้คือสัญญาของกิเลสอันนี้คือสัญญาของธรรมสัญญาของธรรมนั้นพระุทธเจ้าท่านสอนให้เราอันนี้จะสัญญาสําคัญว่าเราในไม่เที่ยงไม่เท <laughs> <atamente. S 2> ี <Climate>. ่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอนัตตะสัญญาไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสัญญานี้เป็นสัญญาโดยธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระอนุนเรียน10บอย่างอสุภะสัญญา สำคัญว่าไม่งามไม่งามน่าเกลียดโสโครอะไรตัวอะไรนี้สัญญาเหล่านี้มันเป็นสัญญาโดยธรรมเมื่อเราพุทโธพุทโธพุทโธทําให้ใจได้รับความสงบพุทโธพุทโธพุทโธทําให้เราได้ปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบางทีสัญญามันสวมรอยสัญญาคำว่าสัญญาในที่นี้หมายถึงสัญญาของกิเลสมันสวมรอยแล้วอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันยึดอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันยึดอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันยึดอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด เกิดขึ้นมาแล้วยึดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมาพิจารณาดูแล้วก็วางไว้นี่เป็นเรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องของธรรมเราค่อยๆเรียนรู้ไปเข้าใจไปเราจะเห็นว่าธรรมะเป็นโลกว่างอเป็นอาหารอันโอชะของปราดของบัณฑิดเรศอร่อยแล้วดครูบายจานเนี่ยท่านศึกษาธรรมะว่าแต่จิตท่านเข้าถึงธรรมะแล้วเน่ยโอ้โห โลกว้างมันมันว้างจนไม่มีอะไรผูกพันจนปล่อยว่างทิ้งหมดเลิกหมดคือคือตอบยาวไม่ได้ตอบสัส้นๆแค่นี้พอ mm hmm. เอาเวลาไม่พอเอาแค่นี้ก่อนใครยังคิดอะไรไม่ออกหรือใครยังมีข้างคางในหัวใจไปทำการบ้านมาเดี๋ยวตอนเย็นนี้มานั่งภาวนา mm hmm. นะ ตอนเยนีเราตอนเย็นเรามานั่งภาวนากันเสร็จแล้วเราก็พูดคุยธรรมะเพื่อที่จะมาเบิกว่าในโลกกว้างล อ, องดูยาท้าวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมววสมิชตาตุสเพปูเรนตุสังกปา ยันโทปนระโสยะตถามณิโชติระโสยัถะฉันเบติโยวิวัจฉันตุสัมมาโรโกวนาสัตุมาเตมาวันวันตรายุสุิติกายุโคมบาวะปิวานัสิริ สเนจังโอนจาจินโนจาตารธรรมวตนติอายวันโนสุขังอาลังวาตุสัพพะมังลงราคะนุสัพพะวตา สัมบบุตรธาตุ i าเณนัสสทัสโสติพวันตุเตอาวตุสับะมังกลังรักันตุสับะเทวตาสัมบัติมารุบาเณนัสสทัสโสติ t วันตุเตอาวัตุสับะมังกาลังรักันตุสับะเทวตา สัปปสังฆาลุภาวีนาสดาโสทิมบาวันตุเตม